Thank you. สาวตุชนพุทธบริษัททั้งหลายเสียงเพลงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่เวลานี้เป็นเสียงสั ญ, ญลักษณ์แห่งการมรณะภาพทัาง น, นี้ก็เพราะว่าเสียงเพลงประเภทนี้เป็นเพลงไทยและชาวไทยทั้งหลายเรียกกันว่าเพลงมอ การเปิดเพลงประเภทนี้ขึ้นมามีความประสงค์อะไรตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ทราบชัดเทั้งการที่เปิดเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดตรงกับวีที่สมพอปานมรณภาพคือเกิดมาแล้วได้ร้อยปีพอดี เรีอกยี่เรียกกันว่าเป็นปีครบรอบร้อยปีเกิดหุมพ่อปานวัดบานมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสยียุธยาซึ่งเป็นคณาจารย์ท่านพิเศษที่มีบุคคลทั้งหลายมีความเข้าใจกันมากมายหลายประการสาหรับท่านทั้งหลายที่เกิดทันหุมพ่อปานก็มีความเข้าใจดี บรุหพ่อปานนี้เป็นพระที่มีสติครบถ้วนบริบูรณ์เชืาว่ามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจริงๆนี่ได้เคยคิดว่าการบวชนี้จะนำทรัพย์สินขวรรดาท่าพพุทธบริษัทจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวไปสร้างความร่ำรวยแก่ตัวเองรลอยาินิด โดยอาการเช่นนี้บรรดาคณะสิทธิยา น, นุสิตหรือท่านทั้งหลายที่มีความรู้จักคุวงพ่อปานเป็นอั่าดีย่อมทราบชัดว่ารมวพ่อปานเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสทรสวัสดติโสภาคแล้วก็มาวาระนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจึงกายครบรอบร้อยปีของท่าน บรรดาคณะสิทธิยานุสิตย์หลายต่างพากันบำเพ็ญบุญบุญญรสาธีเป็นการสนองความดีของครูบาอาจารย์ตามความคิดเห็นขออาจมาก็คิดว่าปีนี้ถ้ามีคณะสิทธิคุณพ่อปานวัดบานองโคอยู่ที่ไหนที่นั่งก็ควรจะจัดการบำเพ็ญบุลเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าหากว่าบางเอิญท่านทั้งหลายที่อ้างตัวว่าเป็นสิครุภัณฑ์และก็ไม่ได้บำเพ็ญกุศลบุญญาราศีอันนี้อาตมาก็สงสัยเพราะว่ารูกศิษย์ครุภาณฑ์นี้มีมากมายด้วยกันมีทั้งลูกศิษย์ภายในและลูกศิษย์ภายนอก แต่ว่าเรื่องการบำเพ็ญกุศลหรือไม่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญไม่จัดการบำเพ็ญกุศลจะเป็นท่านที่ขาดความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่นี่ระเบรรดาท่านพุทธบริสัตธ์ทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่หกสิงหาคม พศสองพันห้าร้อยสิบแปดถ้าจะถอยหลังไปร้อยปีก็เป็นวันก็เป็นเดือนกรกฎาคมพศสองพันสี่รอสิบแปดซึ่งเป็นเดเป็นวันและเดือนเกิดครงพ่อปานแต่วันที่เท่าไรอาตมาจำไม่ได้ถึงแม้ว่าจำได้ก็คงไม่อยากจะจำทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า เห็นว่าไม่มีความสําคัญนักเนืทางวัดบานงคโคก็ได้ทําประวัติหลวงพว่อปานเล่มใหญ่ออกแจกจกรบรรดาท่นานพุทธศาสนิ ก, กนชนทั้งหลายมีราคาประมาณเล่มละร้อยห้าสิบบาทแต่ยังไงก็ไม่ทราบชัดเป็นเล่มใหญ่มากและได้ว่าน้องเสือเล่มนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาตมาเห็นหน้าปกเข้าก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์เ <c oughs> พราะปรากฏว่ามีภาพหลวงพ่อ ป, ปรานวายโหนดแล้วก็โหนดขาวผมขาวเพราะเป็นภาพสีเห็นชัดเจนแล้วก็ลายลูกมียันแขวนที่หน้าอกพอมองเห็นเข้าแล้วก็ตกใจ าอาตมานี่ขวาขายความรอบคอไปมากเพราะใฐานะที่อยู่กับหลวงพ่อปานมาหลายปีแล้วการอยู่ณที่นั้นกับหลวงพ่อปานทำไมอาตมาจึงไม่เห็นหลวงพ่อปานมีหนวดหงอกแล้วก็มีผมงอก หนวดยาประเภทนั้นถ้าเราจะกะประมาณการไว้หนวดกันก็ต้องใช้เวลาถึงสามสี่เดือนหนวดจริงยาวขนาดนั้นแล้วในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าพระสิบห้าวันโกนผมครั้งหนึ่งถ้าบังเอิญจะเป็นพระที่ที่เกยโกนหนวดก็จะยโกนพร้อมๆกับโกนผม และเมื่อพิจรารณาเป็นแล้วผมยาวไม่สมควรกาหนวดเป็นอันว่ากลายเป็นลุงพ่อปานเล่นหนวดไปแล้วมองไปที่มือบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีเล็กยาวลุงพ่อปานเคยสอนบรรดาพุทธบริษัทและบรรดารูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ว่าให้มีความเคารพในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสเดาสมมาสพุทธเจ้าทรงแนะนำแล้วถ้าเดี๋ยวว่ากันไปแล้วอาตมาก็ขาดความรอบค้อบไปมากทั้งทั้งที่อยู่กับท่านมาหลายปีแต่ไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้เลยมันน่าสัจจัน เันเจ้าหน้าขอบคุณท่านที่สามารถนําภาพหุวงพ่อปานที่อดมาไม่เคยเห็นมันลงไว้เป็นอนุสร์เป็นการกระตุ้นเตือนใจแสดงถึงความรู้สึกหวังดีเขามรนดาลุสิทุกภาที่นําภาพนี้มาใส่เข้าไว้แล้ก็เป็นที่น่าสลดใจอยู่นิดหนึ่งว่าหลวงพ่อปานเป็นคณาจารย์ใหญ่ ท, ทําไมจึงไม่เคารพในพระธานวินัย เอาเล็บไว้ยาวปล่อยหนวดยาวแต่ผมสั้นกว่านหนวดถ้าใครจะมาบอกอาตมาบอกว่าหลวงพ่อปานเป็นพระขึ้นคลื่นไม่ทันสมัยแล้วไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยยานี่อาตมา ก, ก็จะรู้สึกว่ามีความลําบากใจที่จะพูดว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะนัตตะได้ยอยู่ด้วยกันมาเรื่องพระธรรมวินัยนี่หลงพ่อปานเคารพมาก เพราะมีความแน่ใจว่าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยา่าทรงสมเด็จดับขันธ์ก็สู่ท้ปรินิพานแล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วเคยตรัสกับพระอานนุ์ว่าอานันท์พระดูก่อนอานนุ์เมื่อเราปรินิพานเป็นแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นสัจสนาสอนเธอ หมายถึงว่าพระธรรมวินัยนี้เป็นการแทนองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมาศาสนา น, นั่นเองแล้วก็ในเมื่อหลวงพ่อปานเป็นพระทรงชาสมาบัติเป็นพระโพธิสัตว์เปล่งวาจา ก, ก่อนในขณะที่บำเพ็ญกุศลแล้วต่อหน้าประชาชนว่าผลบุญในคราวนี้ที่ข้าพระเจ้าบำเพ็ญกุศลขอให้เป็นปัจจัยข้าพเจ้าได้สาเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการนั้นเถิดพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญกุศลและเปล่งวาจาต่อหน้าประชาชนราตนาพระโพธิญาณนี่ตามี่ทราบกันมาก็หมายความนึงว่าท่านผู้นั้นมีบารมีเป็นปรมัทบารมีไ่จะบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ถ้าภาพนี้เป็นภาพของหลวงพ่อปานจริงก็เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งไม่ทราบว่าท่านไปถ่ายไว้ที่ไหนและก็อาตมาเองก็ไม่เคยพบท่านจะไปดูภาพภายในที่มีจริยาต่างๆซึ่งในหนังสือเล่มเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่าหลวงพ่อปานมีหนวดเอาไว้หนวดเล็บยาวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ดี่เป็นเหตุอนาะตะมาเกิดความเศร้าใจโดยคิดว่าเพราะเจตนาอันใดบรรดาคณะลูกศิษย์ทุกหาซึ่งอยู่ในสนักจึงได้นำภาพวันนี้มาเชิดชูวไว้ที่หน้าปกถ้าเราจะคิดว่าเป็นการเชิดชูความดีของครูบาอาจารย์ก็เป็นของยาก เพราะว่าการแสดงนตนแบบนั้นเป็นการไม่เคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้ขอยกไว้ดีกว่าบรรดาท่านุู้บริษัทที่พูดมา น, นี้ก็เพราะว่ามีคนมาถามกันหลายคนว่าสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อปานเนี่ยเคยเห็นหลวงพ่อปานเอาไว้หนวดไหม อาตมาก็ยังตอบได้แต่ถึงว่าในขัหะที่อยู่ด้วยไม่เคยเห็นร้วงพ่อปานเอาไว้หนวดและเวลาที่หลวงพ่อปานมรณภาพเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ปรากฏว่าหลวงพ่อปานมีผมขาวมีหนวดขาวอย่างนั้น ถ้าจะกล่าวถึงภาพผมงอกกันแล้วหลวงพ่อปานก็คงยะงงอกไม่ถึงหนึ่งในร้อยของบอร์เปอร์เซ็นที่ผมมีอยู่นี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเป็นเหตุให้สงสัยว่าภาพนี้คงจะปรากฏขึ้นมาได้ใดอิทธิฤทธิหลวงพ่อปานหรือมีเช่นั้นก็เป็นอิทธิฤทธิของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่สร้างสันลนดให้เกิดขึ้นและว่าทำหนวดขาวผมขาวเป็นของไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าว่าจะมีได้อีกเสียงหนึ่งก็เพราะว่าหลวงพ่อปานตายมาแล้วตั้งร้อยปีไม่มีโอกาสจะโกนหนวดโกนผมไอ้คน ห, หนวดมันก็เลยยาวแต่ผมสั้น แล้วก็โหนที่มีอายุตั้งนานยี่ร้อยปีก็เลยขาวผมก็ขาวไปด้วยถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไปที่สงสัยอีกก็ว่าหลวงพ่อปานมรณภาพไปแล้วเมื่อมาร้อยวันเสร็ จ, เ ร, จเราก็เผากันไม่ได้เก็บเอาซ่าศพของท่านไว้ถ้าหากจะบอกว่าหนวไม่งอกขึ้นมาแล้วไม่แก่ลงไปมันก็เป็นของอัศจรรย์ ข้อนี้อาจจะมามีความสงสัยมากแต่หากว่าทางวัดบรานองโคมีโอกาสจะแจ้งมาอาตมาทราบก็จะแจ้งไล้แจ้งแกบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าภาพนี้ได้มาจากไหนก็จะเป็นการดีแล้วเรต่อจากนี้ไปก็มาพูดถึงความสัมพันธ์ของอาตมากับหลวงพ่อปานว่าทำไมอาตมาจะมีความเคารพหลวงพ่อปานมาก จะไปที่ไหนก็ไม่เคยทิ้งครูบาอาจารย์ในการกระทำอะไรทุกอย่างก็ต้องใช้นามของพ่อปานติดไวเสมอนี่แหละบรรดาท่านุู้บริษัทเป็นที่น่าสงสัยแต่ว่าเรื่องนี้ยกไว้ซส ก, ก่อนเรามาพูดกันถึงชีวิตความดีของหลวพ่อปานที่บรรดาคณะฤิษ์ลูกหาต้องพากันอะไรในท่าน คำว่าอะไรในที่นี้ก็คงจะไม่หมายถึงว่าการเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่หลวงพ่อปานสอนพวกเรามาตลอดเวลา <c oughs> ให้รู้จักยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่หลวงพ่อปานตายไปในคราวนั้น เหมือนกับชีวิตพวกเราจะผิดลงไปด้วยพร้อมกับชีวิตของท่านทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเรากับพระอ น, นุ์มีสภาพคล้ายคลึงกันพระอนต์เป็นอุปถาขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสสดาสัมมาสัพพุตเจ้าพระพุทธเจ้าจะไปทางไหนพระพุทธอาพระอ น, นุ์ก็ติดตามพระองค์ไปด้วย แต่ถ้า ว, ว่าในบางโอกาสองค์สมเด็จพระบรมโลกนนาศไม่ไดไม่มีโอกาสที่จะให้พระนรินติดตามเพราะกิจนั้นพระองค์จะต้องทำแต่พระองค์เดียว <c oughs> พระองค์ก็ทร ง, งเส็อไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท ต, ตามที่ตกอยู่ในถ่ายพยานของพระองค์ แล้ขั้นเมื่อกลับมาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงวรรมเทศนากันนั้นบอกให้พระนนฟังมราต่ท้าคดไปในคราวนี้ไปปวดใครที่ไหนแล้วก็เทศว่ายัางไงเขามีผลเป็นแรบการใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาาศาสนาทมดังนี้กรเพรว่าพระนลได้ขอผ่อนไว้ ในสมัยที่พระอนุนจะเข้ามาเป็นพุทธโอุปถาในขอยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองว่าถ้าไปเทศที่ไหนถ้าพระอนุนไม่ได้ฟังก็ขอให้พระองค์ทรงปโปรดมาเทศนาให้ทราบด้วยเหตุผลอันนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่ามีใครเข้ามาถาม ว่าพระพุทธเจ้าไปเที่กับใครที่ไหนว่าอย่างไงถ้าเขาสงสัยพระนรนจะได้บอกให้เขาฟังนี่ก็เป็นเหตุผลที่ดีประการหนึ่งเพราะว่าพระนรนเป็นปัจฉาสมณนะพระเดินตามหลังคือปฏิบัติพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธอุปถาต์ก็จำที่จะต้องรู้ทุกเสียงทุกอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงมหากรุณาที่คุณ สงเคราะพระนนตานที่ขอไว้ <c oughs> เรื่องกับพระอนนกับพระพุทธเจ้ามีสภาวะชั้นใดคณะสธิยานุสิกขุนพ่อปานที่มีความเคารพในพระธรรมบินยัยที่อาตมาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะอยู่ในสำนักขุนพ่อปานก็ดีอยู่ในสํานักของ พระพุทธเจา้าก็ดีไม่ได้หมายความว่าท่านผู้นี้จะมีความเคารพในพระธรรมวิมนัยเสมอไปมีจํานวนไม่น้อยที่ตั้งใจทําลายพระพุทธศาสนาทําลายครูบาอาจารย์เพราะคิดจะว่าตัวเองนี้นั้นเป็นผู้ประเสรศิฐเป็นผู้วิเศษมีความดีเกินกว่าที่อาจารย์จะพึงให้ คนที่มีจิตใจประเภทนี้มีอยู่ถึงแม้วันในเวลาที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่คนที่อยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป <c oughs> ตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ศาสตร์แล้วความจริงก็เป็นญาติขององค์สมเด็จพระบัทีแก้ว มีฐานะเป็นพี่คือเป็นลูกของหลวงและก็เป็นพี่เขาเป็นนามพิมพาในการที่เป็นพี่เขาเป็นนามพิมพาก็เลยกลายเป็นพี่พญยายันหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าว่าพระเทวทัตมาบวชอยู่กับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาค พ, พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพระเทวทัต ให้ได้ชานสมาบัติทรงอภิญญาแล้วก็เทวทัตกลกับทาลายล้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์กฎของธรรมดาความจริงมันมีอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านราะนั้นคณะเสตยานุสิกของหลวงพ่อปานยานนึกว่าเขาแย่สนใจในพระธรรมวินัยเสมอไป ที่ไม่เอาไหนก็มาน ก, ก็เสียมีมีมากมายเหมือนกันที่ดีเลยกว่าท่านผู้นั้นจะเข้าใจก็มีมากก็ <c oughs> มีอุปมาเบียบประุจติ น, นึงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระผ้ะผาเจ้าเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูก็มีหลายแบบเช่นพระฉันนะไม่เอาไหนเหมือนกัน ใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้จะสอนอะไรก็ไม่ฟังทำผิดทำถูกยังไงก็ช่างใครจะพูดว่ากล่าวเข้าร <c oughs> าชน้างว่าท่านเป็นคนสนิทที่เทียกพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้านี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงของกฎธรรมดาเป็นอย่างนี้มาเรื่องรูกศิกย์ของข้อพายก็เหมือนกัน เห็นภาพหน้าปกดังสีเขารู้ว่าปานเข้าเป็นประวัติร้อยปีคขารู้ว่าปานก็รู้สึกสลดใจว่าไม่ไม่ทราบว่าใครซึ่งมีความโจงรักพักดีหลวงพ่อปานเป็นดิเศษเอาภาพที่ขัดต่อพระธรรมวินพระวินัยพระ อ, องค์สมเด็จพระบรมมนโลกษัตรย์มาโชว์เขาไว้ ถ้าจะพูดกันเป็นภาษาไทยไทยก็เรียกว่าประจายคูบ า, ายใจของตัตนเองอันนี้น่าสลดใจอย่างยิ่ง <c oughs> ตอนนี้อรรมาก็จะขอตัด <c oughs> ถ้าหากว่าเรื่องนี้อจากลายเป็นหนังสือก็จะขอตัดอันตอนปลายขึ้นปลายก่อนแล้วก็ย้อนลงไปทางต้น <c oughs> ในว่าจตมานี่ยเป็นคนอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือตอนจบก่อนอยากจะรู้เรื่องนตอนนี้จตมาก็อยาขอพูดภาวะตอนปลายชีวิตของพ่อปานเมื่อหลวงพ่อปานนี่เคยตายมาหรือว่าเกือบตายมาแล้วสองวาระวาระที่สามถึงได้ตายจริงๆ เรื่องนี้ปรากฏมีมาในสมัยที่อาตมาอยู่กับท่านก็ได <c oughs> <c oughs> ้ทราบเรื่องราวต่างๆจากท่านเป็นเรื่องเปล็ดความรู้มากมายแต่แต่ว่าจะมีใครจําได้หรือไม่หรือไม่จําก็ไม่ทราบก็มีหลายคนเหมือนกันที่อาตมาจําได้แล้วกลับไปพบกันแล้วก็ถามว่าเรื่องที่หลวพบปานพูดจะจําได้ไหม มีนเวลานี้ก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันและเวลานั้นก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เด่นกว่าจะมามากเพราะวันหนึ่งท่านบวชก่อนสองความรู้ทางปริยัติท่านก็มากสามความเฉลียวฉลาดในการคล้องตัวก็มากมายแล้วถ้าว่าไปถามเกิดความรู้ที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังให้ กลับบอกว่าจำไม่ได้นีแลบรรดาท่านพุทธริษัตถ์นหลายเรื่องการเข้าใจการจดจัย่อไม่เสมอกันไงแต่ามาจะย้อนหลังลงไปเมื่อสมัยที่หลวงพ่อปานอายุสามสิบแปดปีถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานจะเป็นผู้มีความดีประกอบกด้วยความเมตตาปราณีเกบรรดาสัพพสัตว์ทั้งหลายอย่างยิ่งก็ตาม <c oughs> การแล่วว่าเรื่องขึ้นชื่อววากฎของกรรมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งหลวงพ่อปานไปที่วัดประตูสารจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประตูสารนี่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณเป็นต้นทางที่จะเดินทางไปวัดป่าเลรในสมัยนั้น ท่านบอกว่าเวลาเข้าไปในห้องน้ำเสียท่าคนร้ายเขาบังฟันเอาคำว่าบังฟันนี่เป็นวิชาพิเศษอันหนึง่งเป็นวิทยาคมเขาปันวัตถุแต่ถ้าว่าแผลมันปรากฏในร่างกายของเราแต่ว่าด้านหนังภายนอกไม่ปรากฏเป็นแสจัดว่าเป็นอันตรายหนักทั้งถูกที่อก เมื่อถูกแล้วก็มีล้มลงไปเนี่ยอาการหนักมากมแต่ว่าสติสัมปชัญญะของท่านอย่างสมบูรณ์เสมสมัยนั้นเรือยนต์คนไฟมันก็ยังไม่ค่อยจะมีบรรดาท่านทุตบริษัตวว่ากันถึงเรือยนต์รถยนต์ไม่ต้องพูดกันในต่างจังหวัดนันชนบทแบบนั้นไม่ต้องหารถยนต์เพราะว่าทางรถมันมีมน้อย วิ่งในระยะสั้นๆ <c oughs> แล้วก็เรือยนต์นสมัยในสมัยนั้นก็หายากตลงพ่อปานไปไหนก็ใช้เรือสัมปนันนีมีเก่งทาสีขาวทั้งลำ ม, มีคนเจ้าโหวเจ้าทายคนเจ้าเรือของท่านก็เจ้าประเภทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปแบบสบายสบาย แต่ได้ว่าขณะนั้นหลวงพ่อปานมีอาการใกล้าปลางตายทุกคนก็พากันนำหลวงพ่อปานกลับวัดเพราะว่าท่านขอร้องให้ทุกคนพาทั้งกลับวัด <c oughs> เมื่อเรือเคลื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบรรดาท่านทุธบ ร, ริษัทแม้จะรีบเรือการใดก็ดีถ้าจะถึงอำเภอบางบละมาคือประตูน้าบางีขน ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงมนอย่างรีบเลื่อประตูน้ำสมัยนั้นก็จะเปิดให้แต่ละคราววันนึงก็เปิดสามครั้งเท่านั้นถ้ามาไม่ทันกับเวลาเขาเปิดตามปกติเขาก็จะยังไม่เปิดให้ต้องจอดเรือคอยกันก่อนอากาศหรือก็แสนร้อน อาการทางร่างกายของท่านถ้าเป็นเราก็กระสับกระส่ายมากแต่ทว่าลุงพ่อปานท่านมีอาการปกตินอนเฉยคุมะติสัมปชัญญะได้ดีมากเข้าใจว่าจะเอาอารมณ์ทรงไว้เป็นฌานทัานเมื่อเรือผ่านประตูน้ำเจ้าเจ็ดออกมันแล้วก็เจ้ากันมาใช้เวลาอีกประมาณสี่ชั่วโมง พอถึงวัดบางซ้ายไหนปรากฏว่ากายของท่านหนักมากท่านยิ่งบอกให้คนเรือแวะเข้าไปที่วัดบางท้ายไหนเวลานั้นท่านสมพานโยงกำลังเป็นเจ้าอาวาสอายุเห็นจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันจะแก่ก่อนกัน ก, น, กนก็ไม่มากนะักเ <c oughs> ่านขึ้นไปก็อาศัยสัน น, น้านอนอยู่ อาการของท่านเพียบหนักคนทุกคนแจ้งบอกว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานสลบไปถ้าว่าตามความรู้สึกของอรตมาคิดว่าไม่สลบคําว่าสลบเนี่ยธมามไม่เข้าใจเหมือนกันแ้าว่าอาการที่เป็นแบบนั้นเหมือนกับตายเป็นการจิตที่เคลื่อนออกจากกายของท่าน <c oughs> เวลาที่ท่านคุยให้ฟังก็มีสภาพแบบนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่ท่านคุยให้ฟังท่านก็บอกว่าฉันไม่ได้สลกลบ้จิตวิญญาณมันออกจากร่างอาการที่จิตออกจากร่างมันก็เป็่งกายเดินออกไปบนอากาศเดินออกไปได้พักหนึ่งไกลแสงไกล แต่ว่าขณะที่เดินไปในเวลานั้นเองเขาไประยะประมาณใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางเห็นสภาพของอาคารริบๆอยู่ข้างหน้าแปลว่าริบับมงความงามสง่าสวยสดขดงามมากท่านก็ตั้งใจจะเข้าไปสู่ที่อาคารหลังนั้นแต่มันยังไกลอยู่ในเวลา การของสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่ถึงคาดบรรดาท่านทุธบริษัทขนาดนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงคนคนเหน่อเรียกว่าท่านปานท่านปานหยุดก่อนนุ่มพ่อปานบอกว่าเวลานั้นจะได้ดหันหน้ามาดูเห็นองค์สมเด็จพระบรมครูยืนงามสงา่า มีรัศมีกายแผลสั้นออกมาทั้งหกประการเราก็เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าแพระองค์กล่าวว่าคุณายคุณยังไปไม่ได้ภาระใหญ่ของคุณยังมีมากวัดบารามยังสร้างไม่เสร็จ <c oughs> แล้วกิจอื่นที่จะต้องทำยังมีอยู่จงกลับไปปฏิบัติงานให้เสร็จเิ้นแตก่อนจึงจะไปได้ ่ถานที่อันนี้ใช้ไม่เป็นไรเธอมีโอกาสจะมาอยู่ได้แน่นอนก็สิ้นเสียงพระองค์สมเด็จพระินาวรณก็ปรากฏว่าจิตวิญญาณเข้าร่างพอดีหลวงพ่อปานก็ลืมตายขึ้นทุกคนก็ดีใจเห็นขณะที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคนเอาโสนั่งอยู่ไกล ทัานไปกับหลวงพ่อปานด้วยท่านบอกว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานสลบไปประมาณหกเจ็ดชั่วโมงคนทุกคนป่าจะร้องไห้เสียดายหลวงพ่อปานว่าเวลานี้หลวงพ่อปานมรณภาพไปแล้วชื่อว่าเราเสียกําลังใจที่เป็นแก้วกล่าวคือตู้พระธรรมที่สําคัญ เราว่บาบุคคลที่อยากสงเคราะห์บทบรรดาประชาชนทั้งหลายและพิษุพ ส, สมนเสนภายในสถานที่ต่างๆ <c oughs> ในการสั่งสอนธรรมะก็ดีสร้างอาหารการเรียนพอาศยให้เกิดให้แก่บรรดาพิษุส์ทั้งหลายก็ดีที่ทําเป็นสาธารณประโยชน์หลวงพ่อปา น, นี้ไม่มีเขาเสียใจยกันมากอะบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดมาประมาณสามสิบนาที ขอมันก็ไม่ดีขอพักเสียงสักหน่อยในคันนา t h i ก็ขอบรรดาท่านผู้บริษัททั้งหลาย <c oughs> โปรดฟังเพลงมอนต์ต่อไปเพื่อเป็นการพักเสียงอัตของอัตมาสักครู่หนึ่ง Oh, my God.